กิเลสไม่เข้าใครออกใครหรอกอรเนี่ยว่าแต่โยมพระอย่างตีกันเลยเป็นเรื่องธรรมดาโลกภาวนาสู้กิเลสไม่ไหวก็โดนกิเลสฉีคอเอาเปอยู่ที่เราต้องค่อยๆพัฒนาสติค่อยมีสติบ่อยๆค่อยรู้ทันกายค่อยรู้ทันใจนะถ้ารู้มีสติอยู่รู้กายรู้ใจอยู่เนี่ย กิเลสจะมาแผ่วผ่านไม่ได้กิเลนเล่นทีเผลอถ้าลืมตัวนะเผลอไปลืมกายลืมใจพอลืมกายลืมใจจิตหลงไปอยู่ในโลกของความคิดนพอมีความคิดขึ้นมานะคราวนี้ยกิเลสได้ช่องทํางานกิเลสเล่นทีเผลอเผลออะไรเผลอคิดตรงที่เผลอไปลืมกายลืมใจมีโมหะพอคิดไปแล้วเกิด ชอบบ้างไม่ชอบบ้างก็เกิดราคะเกิดโทสะขึ้นมาหมุนเวียนอยู่ถ้ามีสติอยู่ราคะโทสะไม่มีทางเกิดเลยหรือถ้ามันเกิดนะขณะนั้นขาดสติมันเกิดอนุสัยความเคยชินเก่าๆที่ไม่ดีของเรายัางมีผับเผลอนะมันก็ปรุงกิเลสขึ้นมาจิตนั่นแหละปรุงกิเลสขึ้นมาจิตที่มันขาด ความรู้สึกตัวหลงปรุงขึ้นมาแล้วทำไมมันหลงเพราะมันเคยหลงมันหลงมาแต่ไหนแต่ไรเคยชินที่จะหลงแล้ว ม, มันก็หลงบ่อยจิตไม่เคยชินที่จะรู้สึกตัวหรอกการที่เรามาหัดรู้สึกตัวคยรู้กายคอยรู้ใจเป็นการสร้างความเคยชินชนิดใหม่ขึ้นมา เดิมเคยชินแต่จะหลงอย่างเดียว น, นีลงไปแล้วก็เกิดโลภเกิดโกรธขึ้นมาเพราันเผลอเมื่อไหร่นะก็หลงจะ ต, ต้องค่อยๆฝึกพัฒนาให้สติเกิดวิธีที่จะพัฒนาให้สติเกิดนะต้องหัดรู้สภาวะบ่อยๆจิตมันหลงไปคิดก็รู้นะที่มันหลงไปคิดขึ้นมาแล้วโลภก็รู้คิดขึ้นมาแล้วโกรธก็รู้นะ ไม่คิดไม่โกรธไม่คิดไม่โลภมีคนถามพระพุทธเจ้าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญพระองค์มีการมราคะไหมไปถามพระพุทธเจ้าว่าท่านมีราคะไหมท่านก็ไม่ได้บอกตื้นตื้นว่าไม่มีนะท่านบอกว่าท่านไม่มีการมราคะเพราะไม่มีกรรมวิตตกไม่หลงไปตรึกในกรรมไม่มีพยาบาทวิตตกนะมันก็ไม่มีโทสะ งันถ้าไม่หลงไปคิดนะหลงไปอยู่ในโลกของความคิดนะราค่าโทสะอะไรมันก็ไม่มีขึ้นมารูดเนื้อรูดตัวอยู่จิตที่หลงแปมนจิตไม่ตั้งมั่นไม่มีสติไม่ตั้งมั่นจะหลงแล้วค่อยๆฝึกหัดสังเกตสภาวะไปเรื่อยๆให้สติเกิดสติเกิดขึ้นมานะสิ่งที่ทำให้สติเกิดบ่อยๆคือจิตจาสภาวะแม่นเรียกีละสัญญา พระพิธรรมสอนทีระสสัญญาเป็นเหตุใกล้ให้เกิดสติทีรัสัญญาคือจิตจำสภาวะแม่นจิต จ, จะจำได้แม่นจิตต้องเห็นสภาวะบ่อยเหมือนเราจะจำใครสักคนหนึ่งนะเห็นหน้าบ่อยๆเราก็จำแม่นไม่เห็นไปหลายๆปีจำไม่ได้ญาติพี่น้องกันแท้ๆนะพี่น้องกันเติบโตมาด้วยกันเกิดโตขึ้นแล้วต่างคนต่างแยกย้ายไปไม่เจอหลายสิบปีก็ไม่รู้จักแลวจำไม่ได้แล้ว สภาวะก็เหมือนกันนะถ้าเราไม่หัดดูนานจะเห็นสักทีหนึ่งนะจิตก็จําสภาวะไม่แม่นเมื่อเราหัดดูสภาวะไปเรื่อยวิธีหัดดูสภาวะนะเบื้องต้นนะให้มีวิหารธรรมไว้อันหนึ่งก่อนวิหารธรรมหมายถึงเครื่องอยู่ของจิตถ้าจิตคลาดเคลื่อนไปจากวิหารธรรมอันนี้ก็รู้ทันนะ จิตไปเกาะอยู่ที่วิหารธรรมนี้ก็รู้ทันจิตไปเพ่งใส่วิหารธรรมนี้ก็รู้ทันมีเครื่องอยู่เป็นเครื่องสังเกตจิตถ้าไม่มีวิหารธรรมไม่มีเครื่องอยู่เนี่ยจะดูสภาวะยากเือเบื้องต้นในการเจริญสติเพื่อให้สติเกิดทำสติปัฏฐานเพื่อให้สติเกิดสติปัฏฐานมีสองขั้นนะขั้นที่หนึ่งทำให้เกิดสติขั้นที่สองทให้เกิดปัญญา วิธีทาให้เกิดสติให้มีเครื่องอยู่ก่อนมีวิหารธรรมเอากายในกายเวทนาในเวทนาจิตในจิตธรรมในธรรมอันใดอันหนึ่งนี่อันใดอันหนึ่งนะเป็นวิหารธรรมเป็นเครื่องอยู่กายในกายแปลว่าอะไรบางคนไปแปลผิดนะกายในกายไม่คิดว่ามีกายกายทิพซ้อนอยู่ในกายหยาบนี่จะไปดูกายในกายคือไปดูกายทิพนี่เพียง น, นะ เอาเองคำว่ากาย ใ, ในกายนะถ้าเราเคยเรียนงานวิจัยเราจะเข้าใจกายในกายคือการสุ่มตัวอย่างเรียนกายบางอย่างนะสุ่มตัวอย่างกายบางอย่างมาเรียนถ้าเข้าใจตัวอย่างที่เราสุ่มมาเรียนแล้วจะเข้าใจทั้งหมดเลยเป็นการศึกษาแบบงานวิจัยจริงจงการปฏิบัติธรรมก็เป็นการวิจัยเรียกว่าธรรมวิจัยวิจัยธรรมะธรรมวิจัยยะ มีสติแล้วมีธรรมวิจัยงานวิจัยเราไม่ได้ไปต้องเรียนทุกสิ่งทุกอย่างทั้งหมดเลยไม่จําเป็นเวลาเราจะวิจัยสมมุติเราอยากสํารวจทัศนคติของคนกรุงเทพต่อนายกรัฐมนตรีคนนี้เทียบกับคนก่อนก่อนอยากสํารวจตรงนี้เราไม่ต้องไปเดินถามคนกรุงเทพหลายๆ ล, ล้านคนไม่จําเป็น ถ้าอย่างนั้นไม่เรียกว่าวิจัยแล้วเรียกไปเที่ยวถามทั้งหมดเลยนะเสียเวลาไม่ต้องทำมาหากินกันละถ้าเราเลือกตัวอย่างได้ถูกต้องนะเลือกตัวอย่างสุ่มตัวอย่างด้วยวิธีการที่ดีสุ่มตัวอย่างเลือกตัวอย่างที่ดีมาอาจจะไปวิจัยคนสองสามพันคนห้าพันคนไม่เกินหมื่นคนอะไรเงี้ยทัศนคติของคนหมื่นคนนี้มันแทน ความเห็นของคนห้าล้านหล้านคนได้การเรียนกรรมฐานก็เหมือนกันไม่ต้องเรียนรูปนามทั้งหมดรูปนามทั้งหมดมีเยอะรูปมีทั้งยี่สิบรูปนามมีตั้งเยอะแยะมีนามจิตหนึ่งนามเจตสิกอีกห้าสิบสองไม่ต้องเรียนทั้งหมดไม่ต้องเรียนสภาวธรรมทั้งหมดเลยเสียเวลาเรียนเมื่อไหร่จะหมดก็สุ่มตัวอย่างมาเรียน เรารู้กายบางอย่างนะถ้าเข้าใจกายอย่างนั้นแล้วก็จะเข้าใจกายทั้งหมดรู้เวทนาบางอย่างนะถ้าเข้าใจเวทนาอย่างนั้นแล้วก็จะเข้าใจเวทนาทั้งหมดดูจิตบางอย่างถ้าเข้าใจจิตอย่างนั้นแล้วก็จะเข้าใจจิตทั้งหมดนี่เป็นงานวิจัยทาวิจัยเรียกว่าทรมาวิจัยะเราก็เลือกเอาพระพุทธเจ้าท่านฉีดขอบเขตไว้ให้แล้วไม่ใช่เลือกตามใจชอบ วิหารธรรมที่เราต้องใช้นะั้นก็อยู่ในกายเวทนาจิตธรรมกายเวทนาจิตธรรมพูดง่ายๆก็คือรู ป, ปรธรรมกับนมามธรรมเท่านั้นเองนะรู ป, ปรธรรมนมามธรรมนะไม่ต้องรู้รูปทั้งหมดหรอกไม่จำเป็นนะรู้บางรูปก็พอนะอย่างเวลาเราหายใจหายใจเราเห็นรูปเวลาหายใจเข้ารู้สึกไมมิม็นาหายใจออกมันร้อนอันนี้จะไปดูธาตุไฟจะดูยาก เวลาเราเดินเวลาเราเหยียบพื้นเนี่ยขาเราจะแข็งขึ้นธาตุดินเนี่ยเพิ่มขึ้นเวลายกเนี่ยธาตุดินล้นหลงเวลาก้าวไปเนี่ธาต์หลมเพิ่มขึ้นดู ย, กยากจะดูได้จริงนะถ้าไม่ทรงฌานจริงดูไม่ไหวแนละ้วที่ธาตุกรรมฐานแท้แท้ซึ่งเป็นตัวรูปแท้แท้เว น, นเวลารู้รูปชนมากรู้แบบข้างๆ้า ง, างเคียงเคียงไม่รู้รูปแท้แท้ไม่ค่อยมีใครทําได้หรอก ถ้าทําแล้วก็ประเภทจ้องอยู่ที่เท้านะยกแล้วก็รู้สึกน้องนิย่อนลงพอเหยียบแล้วน้องเหยียบพื้นแล้วน้องตึงขึ้นจะมาบอกว่ารู้ธาตุดินมากธาตุดินน้อยอะไม่รู้จริงเพราะจิตเนี่ยจะต้องถลำลงไปจ้องอยู่ที่น้องใช่ไหมจิตไม่ตั้งมัน่นมันทำไม่ได้จริงอ่ะหลวงพ่อยังไม่เคยเห็นใครทําได้เลยมีแต่เพ่งกลายเป็นเพ่งกลายเป็นสมถะไปหมดอเะงั้นรู้กายในกายอย่างง่ายๆนะเช่นรู้การหายใจ นีพรพุทธเจ้าสอนหายใจเข้าหายใจออกถามว่าเป็นรูปปรมัตาทิเตะหรือเปล่าไม่ใช่ยังเจือด้วยบัญญัตินะหายใจเข้าหายใจออกนี่เจือนี่หายใจเข้านี่หายใจออกเจืออยู่แต่ว่าการทําให้เกิดสติเนี่ยไม่จําเป็นต้องรู้ตัวรูปปรมัตแท้เตะไม่เหมือนขั้นทําให้เกิดปัญญานะขั้นทําให้เกิดปัญญาต้องรู้รูปแท้ ขั้นทำให้เกิดสตินะรูปรูปไม่แท้ก็ได้รูปหายใจเข้ารูปหายใจออกรูปยืนรูปเดินรูปนั่งรูปนอนนี่ยืนเดินนั่งนอนไม่ใช่รูปแทะอะไรเป็นรูปแท้แท้ก็ธาตุทั้งสี่นี่เป็นรูปแท้แท้เห็นไหมธาตุสี่เพราะนั้นยืนเดินนั่งนอนอะไรมันยืนอะไรมันเดินอะไรมันนั่งมันนอนธาตุสี่มันยืนเดินนั่งนอนเราดูธาตุสี่ไม่ได้ดูรูปไม่แท้ไปก่อน ดูรูปไม่แท้ไปเรื่อยนะเราจะเห็นรูปไม่แท้เคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงไปเรื่อยเช่นหายใจออกก็รู้ทันรู้สึกตัวหายใจเข้าก็รู้สึกนะรู้สึกอยู่รูปมันเคลื่อนไหวหายใจออกก็รู้สึกหายใจเข้าก็รู้สึกยืนอยู่ก็รู้สึกเดินอยู่ก็รู้สึกนั่งอยู่ก็รู้สึกนอนอยู่ก็รู้สึกใครรู้สึกเรื่อยรู้สึกมากๆนะต่อไปพอจิตมันเคลื่อนมันรู้รูปรู้รูร่างกายที่หายใจอยู่นะ พอมันลืมร่างกายที่หายใจหนีไปคิดปับ๊บสติระลึกได้แล้วว่าลืมรูปตัวนี้ลืมวิหารธรรมไปแล้วมีวิหารธรรมเนี่ยมันทำให้สังเกตได้ง่ายว่าจิตคลาดเคลื่อนไปจากวิหารธรรมนั้นแล้วหนีไปแล้วหนีไปนิดเดียวนะวิหารธรรมจะหายไปอย่างบางคนหายใจเข้าพูดหายใจออกโทรอนะไรมเวลาใจลอยก็ลืมลมหายใจลืมพุดโธไปเพราะเรามีวิหารธรรมนะเพื่อว่า เวลาจิตมันหลงไปนะจะได้รู้ไวๆถ้าไม่มีวิหารธรรมนะจิตก็ร่อเนเร่ไปเรื่อยดูยากไม่มีที่สังเกตวิหารธรรมทำให้เป็นที่สังเกตเพื่อจะได้รู้ทันจิตได้ไง่ายนะบางคนก็เอาเวทนาเป็นวิหารธรรมบางคนเอาจิตที่เป็นกุศลอกุศลเป็นวิหารธรรมสมัยตอนหลวงพ่อเด็กๆหลวงพ่อใช้ลมหายใจเป็นวิหารธรรมให้เกิดสตินะหัดแรกๆเลยตอนเจ็ดขวบ ขาดไปแล้วใจมันเคลื่อนออกไปมองไม่เห็นไม่รู้ทันมันสว่างออกไปนะแล้วก็ไปเห็นนนต์เห็นนี่ออกไปอันนั้นขาดสติแต่มาเรารู้ว่าหายใจไปแล้วออกไปเห็นผีเห็นสางเห็นเทวดาอะไรเงี้ยขาดสติมันรู้อย่างนี้นะพยายามหายใจไม่ให้ขาดสติหายใจไปพอมันจะเคลิบนละ้วก็เปลี่ยนจังหวะหายใจนิดนึงหายใจแล้วรู้สึกไปเรื่อยๆเนี่ยคนที่เคยฝึกเจริญสติมานะเวลา ตายแล้วไปเกิดใหม่นะมันลืมการเจริญสตินะแต่มันไม่ทิ้งร่องรอยที่มันเคยเดินไม่ไปเคลิบนานๆ น, น, นะจะพยายามวกเข้าหาความรู้สึกตัวอยู่เรื่อยงั้นหายใจไปนะพอใจเคลิบพอจะขาสตินะหายใจให้มันรู้สึกตัวขึ้นมาใหมแต่ว่าถามว่ารู้สึกตัวไปเพื่ออะไรยังไม่รู้เลยไม่รู้เพราะว่าขึ้นมีปัสนาไม่เป็นนะแค่ว่ารักษาความรู้สึกตัวไปเรื่อยๆไม่ให้ขาดสติ ยังไม่ได้เรียนวิธีที่จะเจริญวิปัสสนาจนมาเจอหลวงปู่ดูลอายุทั้งยี่สิบเก้าแล้วนะทำสมถะอยู่ยี่สิบสองปีทําไปเพื่อความมีสติไม่ใช่เพื่อความขาดสติทําไปให้รู้สึกตัวไม่ใช่ให้ลืมเนื้อลืมตัวเคลิมเคลิม้มงกเงก็ดงกเง็ดนะทำไปเพื่อจะคอยรู้สึกอยู่เนี่ยอยู่ที่กายที่ใจไม่ให้หายไปไม่ใช่ทําไปเพื่อจะให้ไปรู้ไปเห็นอะไรข้างนอกนะี่ฝึกมาเรื่อยๆ ตอนสิบขวบไฟไหม้ข้างบ้านตกใจวิ่งไปจะไปบอกพ่อวิ่งไปวิ่งไปสามเก้าหนึ่งสองสามปั๊บสติเกิดเห็นจิตที่ตกใจนี่เราเคยฝึกมีสตินะพอเกิดอะไรฉุกเฉินขึ้นมันย้อนมาดูที่จิตได้เองตอนสิบขวบเสร็จแล้วลืมไปไม่รู้ว่าเนี่ยเป็นวิธีทาวิปัสสนาของเคยทำแล้วมันลืม อันนี้ที่หลวงพ่อพูดว่าของเคยทําไม่ใช่พูดเองนะหลวงพ่อพุทธท่านบอกหลวงพ่ออีกจริงเป็ล่าให้หลวงพ่อพุทธฟังนะว่าไฟไหม้วิ่งหนะึ่งสองสามตื่นขึ้นมาเลยจนมาหลังมาภาวนานะอายุยี่สิบเก้ามาภาวนานะจิตตื่นขึ้นมาถึงรู้ว่าอันเดียวกันนั่นเองกับเมื่อสิบขวบแล้วลืมไปแล้วลืมไปหลังจากนั้นนะหายใจไปเรนะื่อยหายใจมาเรื่อยขึ้นไม่ปรัสนาไม่เป็นไม่เอาเครมเอาความรู้สึกตัว การความรู้สึกตัวเนี่ยเป็นต้นทางที่เราจะมาเจริญปัญญามาเจริญวิปัสสนาเวลาเรารู้สึกตัวใช่ไหมเราก็มีกายมีใจเวลาเราลืมตัวกายก็าหายใจก็าหายมันหายไปหมดใช้ไม่ได้วิปัสสนาเนีต้องรู้กายรู้ใจแล้วก็เห็นความเป็นไตรลักษณ์ของกายของใจรู้กายรู้ใจได้ต้องรู้สึกตัวจะมีสติไว้รู้สึกไว้รู้สึกไม่หลงไปไม่เผลอไปไม่เพลิไไพลนไป ที่ไม่หลงไปนานเนะเพราะว่าฝึกมามีวิหารธรรมจิตเคลื่อนจากวิหารธรรมไปรู้ทันจิตเคลื่อนไปรู้ทันนะอย่างบางคราวหลวงพ่อไปเล่นแบบหลวงพ่อเทียนมัง้งเห็นก็เล่นก็เล่นบ้างขยับเนี้ยขยับขยับไปมีวันหนึ่งเดินอยู่ริมถนนเห็นเพื่อนเดินอยู่อีกฝั่งหนึ่งไม่เจอมา น, นานแล้วดีใจนะดีใจแล้วไม่เห็นว่าดีใจมือแต่เห็นเพื่อนเออเห็นไหมขาดสตินะสมัยน้นขาดสติเหมือนกันแหละเหมือนพวกเราแหละ ก้าวขาไปเลยนะจะข้ามถนนไปคุยกับมันขาเคลื่อนไหวปั๊บนะสติเกิดเลยทําไมขาขยับปุ๊บสติเกิดได้เองเราเคยขยับมือเนี่ยขยับมือแล้วเรารู้สึกตัวขยับแล้วจิตเผลอไปเรารู้จิตเผลอไปเรารู้ร่างกายเคลื่อนไหวเนียแล้วจิตเผลอเรารู้สึกต่อมาพอเราเผลอตัวอยู่เราขยับตัวปุ๊บนะมันรู้สึกขึ้นมาได้เองเพราะฉะนั้นะการที่เรามีวิหารธรรมอันหนึ่งเนี่ยฝึกไปเรื่อยเรืสติจะเกิดจะรู้สึกตัว ไม่ลืมตัวพอไม่ลืมตัวแล้วก็ฝึกให้เกิดปัญญาวิธีฝึกให้เกิดปัญญาคําว่าปัญญาคืออะไรปัญญาคือการเห็นความเป็นไตรลักษณ์ของกายของใจนี่เรียกว่าวิปัสสนาปัญญานะไม่ใช่ปัญญาธรรมดาปัญญาธรรมดาปัญญาฉลาดอย่างโลกโลกอะไรเนี่ยไม่พ้นทุกหรอกปัญญาที่ฉลาดอย่างโลกโลกส่วนใหญ่เป็นเครื่องมือของกิเลสแทบทั้งสิ้นเลย เรียนมากฉลาดมากรู้มากเใช่ไหมก็ทําทชั่วได้เยอะบางทีคนโง่โ ง, โ ง, โงโน่นะทําชั่วได้ไม่มากอะ่ะแต่คนที่มันชั่วนะมันฉลาดเนี่ยมันทําชั่วได้เยอะกว่าคนคนโง่เงนนความรู้ความฉลาดอะไรบางทีก็กลายเป็นเครื่องมือของกิเลสไปปัญญาที่แท้จริงที่จะพาให้เราพ้นทุกข์นั่นเรียกว่าวิปัสสนาปัญญาคือการเห็นความเป็นไตรลักษ ของกายของใจของรูปของนามนะไม่ใช่อย่างอื่นเลยต้องเห็นไตรลักษณ์เห็นปฏิคูลเห็นอนสุภาได้ไหมเห็นได้แต่ไม่ใช่พิปัสนาเนี่ยเห็นร่างกายเป็นปฏิคูลเป็นอนสุภานะก็ข่มราคาได้เป็นสมถะต้องเห็นอนิจจังทุกขังอนัตตาในกายในใจนี้เท่านั้นมีคําว่าเท่านั้นไว้อันใดอันหนึ่งไม่ต้องเห็นทั้งสามอย่างไตรลักษณ์เนี่ยเห็นอันเดียวพอ บางคนเห็นอนิจจังบางคนเห็นทุกขังบางคนเห็นอนัตตาในกายในใจนี้ใช้ได้แล้วเห็นนั้นเดียวแต่ต้องเห็นอยู่ในใจรักเนี่ยอนิจจังหรือทุกขังหรืออนัตตาแด่หนึ่งเพราะเรามีความรู้สึกตัวแล้วอันนี้ทํำยังไงดีที่จะให้เกิดปัญญาการทําสติปัฏฐานเพื่อให้เกิดปัญญานะเราไม่จงใจว่าจะรู้อะไรละไม่ใช่รู้อยู่ที่เครื่องอยู่อันเดียวละ มีวิหารธรรมมีเครื่องอยู่นเดียวนะเพื่อว่าจิตเคลื่อนไปเรารู้สึกจิตเคลื่อนไปรู้สึกเล่นหายใจแล้วจิตทิ้งลงหายใจไปรู้สึกอันนี้ทำให้มีสติเวล่หลงล้วจะรู้ไวพอรู้ตัวขึ้นมาก็จะรู้กายรู้ใจพอรู้กายรู้ใจเนี่ยพอรู้สึกตัวปั๊บเนี่ยบางขณะจิตจะระลึกรู้กายบางขณะจิตจะระลึกรู้เวทนาบางขณะจิตจะระลึกรู้จิต บางขณะจิตจะระลึกรู้เห็นการทํางานของสภาวะธรรมเห็นกระบวนการทํางานของธรรมะเช่นนิวรมันปรุงขึ้นมาเห็นตลอดสายเลยนิวรปรุงขึ้นมาจนนิวรหายไปรู้ว่านิวรเกิดได้ไงนิวรดับได้ไงหรือเห็นกระบวนการทํางานของขันเห็นขันห้ามันทํางานไปขันมันทํางานของมันนะไม่ใช่เราทํางานนี่อยู่ในธรรมานุภัสสนาลนะเพราะฉนั้นในธรรมานุปัสนานี่ยจะเห็นกระบวนการทํางานของขัน ของกิเลสของขันของจิตเนี่ยพวกนี้ไม่ใช่เห็นตัวสภาวะเป็นตัวตั ว, ตวไม่เหมือนตอนกายเวทนาจิตนะเนี่ยจะเห็นสภาวะเป็นตัวตัวตั ว, ต, วตอนธรรมเนี่ยจะเห็นกระบวนการทํางานของมันไม่เหมือนกันแต่เบื้องต้นนะจะรูก้ ก, กายเวทนาจิตก็ได้เสร็จแล้วมันจะเข้ามาที่ทำเองนะความประหลาดอยู่ตรงที่ว่าสติระลึกขึ้นมาเนี่ยสมมุติว่าเราเคยรู้ลมหายใจจนเกิดสติแล้วนะ พอสติะระลึกรูปนามขึ้นเองนะบางครั้งะระลึกรู้รูปบางครั้งะระลึกรู้เวทนาบางครั้งะระลึกรู้จิตะระลึกเองไม่มีอันเดียะไม่ใช่ว่าระลึกอยู่อันเดียวไม่ใช่ะระลึกอยู่อันเดียวเพราะฉะนั้นเวลาที่สติที่แท้จริงเกิดขึ้นมาแล้วเนี่ยเราไม่พูดกันแล้วว่าใครปฏิบัติสายกายหรือสายจิตสายกายหรือสายเวทนาหรือสายจิตอันนั้นเป็นแค่จุดตั้งต้นมีวิหารธรรมตั้งต้นเอาไวนะ้เพื่ออะไร เพื่อฝึกให้เกิดสติมีวิหารธรรมไหมจิตที่จะเห็นสภาวะง่ายจำสภาวะแม่นแล้วเกิดสติแต่พอสติที่แท้จริงเกิดแล้วเนี่ยบางครั้งก็รู้กายบางครั้งก็รู้เวทนานะคือความสุขความทุกข์ทั้งหลายบางครั้งก็รู้จิตที่เป็นกุศลอกุศลทั้งหลายนะบางครั้งก็เห็นกระบวนการทางานเช่นเห็นจิตวิ่งไปปุ๊บนะจิตก็เกิดสัญญาปแปลปับ๊บนี่คือนี้จิตเกิด ตัดสินขึ้นมาเลยนี่ดีนี่ไม่ดีนี่ชั่วนี่ไม่ชั่วนะนี่สุขนี่ทุกขนะ์ให้ค่าขึ้นจิตให้ค่าขึ้นมาก็เกิดจิตที่สวยอารมณ์ขึ้นมาเกิดจิตที่เป็นกุศลที่เป็นอกุศลอะไรนี่เห็นกระบวนการเห็นกระบวนการนี่เห็นทำธรรมานุปัสสนาเห็นตัวกระบวนการถ้าเห็นกระบวนการของปฏิจจสมุปบาทเรียกว่าเป็นหมวดสุดท้ายเลยนะนี่สัจจะบัพสัจจะบัพในธรรมานุปัสสนา ถวนทั่วไปไม่ถึงเวลาจะเดินถึงขั้นสุดท้ายเป็นพระอรหันต์เนี่ยจะเข้าไปตรงสัจจบัพเนี่ยก็ถ้าเห็นแจ้งอริยสัจนะถึงจะข้ามภพําชาติของเรายังไม่ถึงไม่ต้องกังวลวันหนึ่งก็ถึงเดินทุกวันนะมีสติรู้กายมีสติรู้ใจได้วันหนึ่งมันจะเข้าไปถึงสัจจบัพไปเห็นอริยสัจนะพระพุทธเจ้าตรัสรู้ด้วยอะไรใครตอบได้นึกออกไหม ตอนเด็กๆนะหลวงพ่อนะอ่านพุทธประวัติอ๋อพระพุทธเจ้าตรัสรู้ด้วยอานาปานสตินึกออกไหมท่านนั่งสมาธิก่อนใช่ไหมทีแรกท่านไปทรมานกายแล้วไม่สําเร็จแล้วสุดท้ายแล้วท่านก็มาจับที่ลมหายใจท่านนึกได้ว่าตอนเด็กๆตอนเด็กๆอายุไม่เท่าไหร่นะพ่อพ่ อ, องท่านพระเจ้าสุดโทตนะพอพาไปงานแรกนะแล้วก็ปล่อยให้ท่านนั่งอยู่ใต้ต้นไม้ท่านนั่งหายใจ จิตทางท่านรวมรู้สึกตัวขึ้นมาเป็นครั้งแรกเนะนี่ยท่านมันนึกถึงสภาวะที่แห่งความรู้ตื่นรู้สึกตัวตอนนั้นขึ้นมาได้เอีลองของเก่านะท่านมาหายใจจิตทท่านก็ตื่นขึ้นมาในพระสูตรเลยพูดเรื่องว่าท่านทําอานาปานาสติเราก็คิดว่าท่านบรรลุพระอราหันต์ด้วยการทําอานาปานาสติเปล่าท่านบรรลุด้วยการเจริญสติปัฏฐานนะ ธรรมานุปัสสนาสติปัฏฐานในสัจจบัตท่านเห็นอริยสัจอริยสัจที่ท่านเห็นลงรายละเอียดไปเรื่อว่าปฏิจจสมุปบาทนั่นเองเพราะฉะนั้นเวลาตรัสรู้นะท่านเห็นปฏิจจสมุปบาทเรียกว่าเห็นอริยสัจไม่ใช่เห็นลมหายใจนะคนละเรื่องเลยแต่ก่อนหลวงพ่ะก็นึกว่าท่านบนรรลุพอรู้ลมหายใจลมหายใจเป็นตัวตั้งต้นนั่นให้มีสติ พอท่านมีสติแล้วนะท่านเจริญธรรมานุกณัณนาบารมีท่านเยอะพวกเราไม่ถึงขั้นขนาดนั้นหรอกนะเอาไว้ตอนเป็นพระราหารันค่อยไปเจริญมันเจริญของมันเองแหละถ้าไม่เจริญก็คือไม่เป็นพระราหารันนั้นเรามีสตินะเเวลารู้กายทำยังไงเวลารู้กายเนะี่ยสติจ ะ, ะระลึกรู้กายที่กำลังปรากฏในปัจจุบันกายที่เป็นปัจจุบัน เช่นบางคนเราถูสบู่อยู่ใช่ไหมที่มาอาบน้ำมาเล่าเรื่อยๆคนโน้อนอาบน้ําคนนี้อาบน้ําพราะเราพยายามอาบน้ำเพราะนะแต่ต้องอาบด้วยตนเองนะอย่าไปให้คนอื่นอาบให้นะอาบคนอื่นมาอาบให้แล้วก็กิเลสมันเกิดเนีย่ยอาบเองง่วเบื่อถูๆไปนะสติปัญญามันะระลึกปั๊บขึ้นมาเลยตัวที่สัมผัสอยู่เนี่ยเป็นแค่วัตถุเป็นก้อนธาตุาไม่มีเรานะทําไมต้องใช้การสัมผัสแล้วรู้สึก ถึงความเป็นวัตถุเป็นก้อนธาตุเพราะความเป็นวัตถุเป็นก้อนธาตุเนี่ยเป็นรูปชนิดหนึ่งเป็นรูปแท้แล้วรูปแท้ตัวนี้คืออะไรรูปแท้ตัวนี้นะคือธาตุดินคือธาตุดินนะธาตุดินมีลักษณะไงธาตุดินมีลักษณะแข็งถ้าแข็งมากก็แสดงว่ามีธาตุดินมากแข็งน้อยก็มีธาตุดินน้อยในเส้นผมมีธาตุดินไหม ในกระดูกมีธาตุดินมมีใช่ไหมแต่แข็งไม่เท่ากันในอากาศมีธาตุดินไหมมีไหมในอากาศในน้ำมีธาตุดินไหมมีใช่ไหมถ้าใครบอกยังไม่มีก็ยังไม่เห็นธาตุแต่คนที่ตอบได้ก็มีสองพวกพวกหนึ่งคิดเอาพวกหนึ่งจำมา <c oughs> เวลาเราสัมผัสเนี่ยธาตุดินธาตุดินรู้ด้วยอะไรธาตุดินดินเนี่ยรู้ด้วยกายพยาศาสาร ประสาทยยทางกายธาตุลมรู้ด้วยประสาทยยทางกายความไหวความตึงความไหวธาตุไฟรู้ด้วยประสาทยยทางกายอย่างเราสัมผัสไปรู้สึกไหมตรงนี้ไม่ใช่มีแต่ความแข็งแต่ตรงนี้มีความเย็นความร้อนด้วยรู้สึกไหมมีความตึงไหวเ ด, ด, ด็กตึงนิ้ตึ ง, ตงนี่มีความไหวอันนี้สัมผัสด้วยกายาประสาทธาตุน้ํา รู้ด้วยใจเพราะฉะนั้นใครจะมาสัมผัสธาตุน้ำหาไม่เจอธาตุน้ำไม่ได้รู้ด้วยกายเพราะะนั้นเวลาลอาบน้ำไปปุ๊บปุ๊บปุ๊ไปรู้สึกอุ๊ยตัวอะไรวะไม่ใช่เราขึ้นมาแล้วเป็นอะไรอย่างหนึ่งแข็งแข็งเป็นท่อนๆเป็นแท่งๆเป็นกลุ่มเป็นก้อนไม่ใช่คนไม่ใช่สัตว์ไม่ใช่เราไม่ใช่เขานี่เห็นธาตุตัวจริงละเห็นไหมเห็นยากนะ นานๆจะเห็นสักทีเอแต่ถ้าภาวนาสุดขีดไปจะเห็นเป็นธาตุตลอดเลยธัรมธาตุทีเราเห็นในธาตุไม่มีเราไม่มีเรารู้สึกลงไปเพราอน้นที่พวกเราภาวนานีบางคนอาบน้าแล้วก็รู้สึกไม่มีเราสัมผัสลงไปไม่มีเราในก้อนธาตุนี้มีแต่ก้อนธาตุหรือดูจิต ด, ดูใจเนี่ยดูกายดูลงปัจจุบันเห็นไหม อาบน้ําอยู่กําลงังอาบน้ําอยู่นี่กำลังถูถูอ ย, อยู่เนี่ยเห็นในตัวนี้ไม่ใช่เราละดูจิตไม่ใช่ดูปัจจุบันดูจิตไม่ได้ดูในปัจจุบันขณะแต่ดูจิตเนี่ยดูด้วยปัจจุบันสันตติปัจจุบันสันตติหมายถึงสืบต่อกับปัจจุบันถือว่าเป็นปัจจุบันเหมือนกันนะเช่นโทสะเกิดขึ้นมาเนี่ยว่าโทสะเกิดขึ้นมานี่มีระยะทางที่โทสะเกิดมีระยะเวลาที่โทสะเกิดสติระลึกปั๊บเนี่ยมาต่อตรงนี้เลย ะระลึกเลยโทงสติะระลึกปั๊บขึ้นมาเนี่ยจะเห็นเลยว่าเมื่อกี้นี่มีโทสะนะมีโทสะแต่ถ้าโทสะเกิดเกิดเกิดมานี่นะแล้วก็เกิดอะไรอีกเยอะแยะเลยแล้วสติเกิดตรงนี้เนี่ยนะมีช่องว่างแล้มีระยะทางมีเวลามาขั้นแล้ไม่เรียกว่าปัจจุบันสัน ต, ติละอย่างนี้ไม่ใช่วิปัสสนาละเพราะนเมื่อวานโกรธ ว, วันนี้รู้ไม่ใช่วิปัสสนานะ โกรธมาชั่วโมงหนึ่งล้ะยังยังโกรธอยู่นะโกรธมาชั่วโมงสติระลึกปั๊บขึ้นมาอย่างนี้ระลึกขึ้นมาได้นี่โกรธเมื่อกี้นี่โกรธนะขนาดนี้รู้สึกแล้วถัดจากนี้โกรธต่ออย่างนี้ก็ได้นะแล้วก็รู้สึกนี้อีกก็ได้นะไม่ใช่ว่าโกรธไปรู้สึกไปนี่โกรธอยู่อย่างนี้แล้วรู้สึกอยู่างนี้ด้วยไล่ไ่กันไปอ น, นี้ไม่ใช่นะเพราะฉั้นเวลาที่เราดูจิตดูใจเราจะดูตามหลังดูติด ไม่ใช่ดูในปัจจุบันขณะถ้าดูกายจะดูลงปัจจุบันขณะนะถ้าดูจิตจะดูปัจจุบันสันปติต่อกันต่อกับปัจจุบันทําไมดูจิตดูปัจจุบันไม่ได้เพราะจิตเนี่ยเป็นธรรมชาติที่เกิดดับรวดเร็วมากเลยจิตรู้อารมณ์ได้ครั้งได้อย่างเดียวเพราะงั้นในขณะที่จิตไปรู้รูปเนี่ยจิตจะรู้จิตไม่ได้ในขณะที่จิตไปรู้เสียงจิตก็รู้จิตไม่ได้ ในขณะที่จิตไปรู้ธรรมารมณ์จิตก็รู้จิตไม่ได้เช่นจิตกาลังคิดอะไรอยู่เนี่ยจิตจะรู้จิตไม่ได้ธรรมารมณ์เช่นเรื่องราวที่คิดจิตจะรู้จิตไม่ได้ในขณะที่จิตไปรู้นิพพานจิตก็จะรู้จิตไม่ได้นะเพราะฉะนั้นจิตรู้อารมณ์ได้อันเดียวได้ครั้งได้อย่างเดียวเพราะฉะนั้นถ้าเราจะรู้ว่าจิตมันเป็นยังไงต้องมีจิตอีกดวงหนึ่งมารู้ว่าจิตเมื่อกี้เป็นไงเพราะจิตเมกี้เนี่ยมันรู้อารมณ์ตัวอื่นสมมติว่าจิตตัวนี้มันรู้อารมณ์โกรธ มันไม่ได้รัวรลงโกรธนะมันไปรู้คนที่โกรธสม ม, มุติว่าหลวง พ, พ่อโกรธชมพูมากเลยเวลาเราโกรธใครเราจะไปเพ่งเล่งที่คนนั้นรู้สึกไหมเราโกรธใครเราจะคิดถึงคนนั้นเรารักใครเราก็อยาคิดถึงคนนั้นเราจะลืมตัวเราเองเพราะฉะนั้นจิตในขณะที่ไปคิดถึงชมพู award, ด้วยความเกลียดชังเครียดแค้นเนี่ยจิตในขณะนั้นจะรู้จิตไม่ได้เพราะจิตในขณะนั้นไปรู้เรื่องชมพูไม่ดีอย่างนั้นอย่างนี้สม ม, มุติเราเกลียดเขามาก ก็มีจิตอีกดวงหนึ่งรู้ว่าจิตเมื่อกี้หลงไปด้วยความโกรธมีจิตอีกดวงหนึ่งจิตดวงใหม่เอาอะไรเป็นอารมณ์เอาจิตดวงเก่าเป็นอารมณ์นะรู้ว่าจิตดวงเก่าโกรธส่วนจิตดวงเก่าเอาอะไรเป็นอารมณ์ก็เอาอารมณ์ทางทวารทั้งหกนั่นแหละมาเป็นอารมณนะ์อะไรก็ได้ดงนั้นเวลาดูจิตนั้นจะดูตามหลังแบบดูติดติดไปเงี้ยดูติดติด สภาวะเกิดขึ้นแล้วก็รู้สภาวะเกิดขึ้นแล้วก็รู้ะไม่ใช่รู้สภาวะรู้ไปคู่กันอย่างนี้อย่างนี้ไม่ได้จริงหรอกของหลอกๆงั้นเราฝึกนะฝึกทีแรกก็มีเครื่องอยู่ไว้อันหนึ่งคอยตามรู้ไปเรื่อยถ้าจิตเช่นเรารู้ลมหายใจแล้วจิตหนีจากลมหายใจก็รู้ทันไปดูท้องผองยุบจิตหนีจากท้องพองยุบก็รู้ทันจิตไปเพ่งท้องก็รู้ทันจิตไปทําอะไรก็รู้ทันนี่มีเครื่องอยู่ไว้อันหนึ่งก่อน แลในที่สุดเราก็รู้ทันจิตเราเห็นสภาวะของจิตอยู่แทบตลอดเวลาเห็นบ่อยๆเห็นบ่อยๆทาให้สติเกิดจิตจำสภาวะจิตที่หลงไปได้แป๊บสติเกิดเองพอสติเกิดเองแล้วรู้รูปถ้ารู้รูปนะมันจะระลึกลงปัจจุบันเลยถ้ารู้นามรู้จิตรู้ใจนั้นก็จะรู้ตามหลังไปนะรู้ได้แต่เวทนาความสุขความทุกข์นะเวทนา สมมุติว่าจิตมีความสุขอยู่เรารู้ว่าจิตมีความสุขจำเป็นไหมที่ความสุขจะต้องดับไม่จำเป็นนะเพราะว่าความสุขเนี่ยเกิดร่วมกับกุศลได้แต่ถ้าจิตมีความทุกข์อยู่นะถ้าสติแท้ๆเกิดนะความทุกข์จะต้องดับเพราะโธมนัทเนี่ยเกิดร่วมกับอกุศลจิตเท่านั้น mm hmm. ะนะนั่นเราไม่ใช่ว่าทุกตัวจะต้องไม่มีเลยเพราะงั้นอุเบกขาก็ต้องดับด้วยอะไรๆก็ดับด้วยรวมไปไม่มีอะไรเหลือเลยนะ อสติเกิดแล้วทุกอย่างหายไปหมดเลยไม่ใช่อกุศลอกุศลทั้งหลายนั่นพอสติเกิดแล้วมันดับแต่ความสุขอะไรต่ออะไรเงี้ยไม่จำเป็นต้องดับอ่ะไปพอสมควรวันนี้ทำไมเรียนยากไปยากไหมมีรูปให้ดูได้นะาเนี่ยเองประกอบอ้าวเชิญนิมนต์เลยครับนิมนต์